ธรรมะที่พระ อ, องค์แสดงนั้นมีความละเอียดลึกซึ้งกว้างขวางานะพันก็สมควรอย่างยิ่งที่เราจะกราบเราจะไหว้เราจะนอบน้อมเคารพระลึกถึงผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนี้ท่านกล่าวว่าในบรรดาบุคคลที่ควรไหว้ควรกราบควรระลึกควรนอบน้อมไม่มีผู้ใดเสมอด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระอัจฉริยะอาจารย์ทั้งหลายท่านจึงเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเบื้องแรก แล้วก็กล่าวว่าข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมอันสูงสุดที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วซึ่งเป็นเครื่องนําผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะออกไปจากโลกต้องเป็นธรรมะที่สูงสุดนะธรรมะที่สูงสุดก็คือโลกุตระธรรมเนี่ยถือว่าเป็นธรรมะที่สูงที่สุดนะโลกุตระธรรมก็คือมรรคผลและพระนิพพานพระพุทธเจ้านั้นเคารพ บ, บูชาเทิดทูน กุศลธรรมคือมักผลนิพานมากทีนี้สิ่งใดก็ตามที่ประกาศชีแนะ้แนะแนวเพื่อให้เกิดโลกุตระธรรมพระองค์จักเคารพสิ่งนั้นด้วยฉะนั้นพระองค์จึงเคารพพระปริยัติธรรมที่เคารพภาพปริยติธรรมเพราะปริยัติธรรมเนี่ยชี้โลกุตระคือพระนิพานและพระปริยติธรรมเนี่ยเ ป, เป็นธรรมะที่บอกข้อปฏิบัติให้เข้าถึงพระนิพานเนี่ยนะฉะนั้นพระองค์จึงเคารพมาที่พระปริยัติธรรมด้วย เพราะอะไรเพราะปริยัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นธรรมะที่จะทําให้เข้าถึงโลกุตระธรรมดังนั้นโลกุตระธรรมเหล่านี้นําผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะออกไปจากโลกอย่างเช่นธรรมะที่สูงสุดซึ่งหมายถึงพระนิพพานเนี่ยนะพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมะที่ออกจากโลกใช่ไหมแต่ผู้ที่จะปฏิบัติแล้วออกจากโลกเนี่ยปฏิบัติด้วยอะไรด้วยวิชากับจารณะวิชานี่คืออะไรคือปัญญา หรือวิปัสนาจารณะคืออะไรคือสมถะผู้ที่อบรมสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะเข้าถึงธรรมอันสูงสุดคือพระนิพพานก็ออกจากโลกคือขันห้าได้ถ้าแทงตลอดพระนิพพานเมื่อไหร่ก็ออกจากโลกคือขันห้าได้ถ้ายังไม่ออกจากโลกคือขันห้าถ้าไม่แทงตลอดพระนิพพานก็ไม่สามารถที่จะออกจากโลกคือขันห้าได้ มันพระธรรมเนี่ยคือโลกุตรธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเคารพ บ, บูชาเทิดทูนอย่างสูงสุดข้าพเจ้าขอไหว้พระอริยสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นสถิตมั่นอยู่ในมรรคและผลเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมพระอริยสงฆ์นะอริยก็คือผู้ที่ประเสริฐที่ที่ไม่เหมือนกับเหล่าปุตุชนทั้งหลายเพราะท่านเหล่านั้นเนี่ยสมบูรณ์ด้วยคุณธรรม คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศน์วิชาจรณนะคุณธรรมอย่างอื่นอีกถ้ากล่าวถึงว่าภ้าริยะเป็นผู้มีศีลแสดงว่าคนที่ไม่ใช่ภ้าริยะนี้ทุศีลภ้าริยะสมบูรณ์ด้วยสมาธิแสดงว่าบุคคลอื่นทั่วไปนิฟุงรร้งซ่านภ้าริยะสมบูรณ์ด้วยปัญญาแสดงว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมาก ถูกอวิชชาเนี่ยครอบงํท่านพระอริยะเหล่านั้นเนี่ยมีมีคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาที่บริบูรณ์ก็ทําให้ท่านบรรลุอริยมรรคบรรลุอริยมรรคเรียกว่าวิมุตต์วิมุตต์คืออริยมรรคเนี่ยก็มีผลไม่มีระหว่างคืออริยผลแล้วท่านก็มีปัจเจเวคขณะยานรู้ว่าท่านนี้สิน้นภพสิ้นชาติสิ้นการสร้างขันห้าอีกต่อไปเนี่ยนะท่านก็เลยสถิตอยู่ในอริยผล แต่ที่ท่านเป็นอย่างนั้นก็เพราะปฏิบัติในอริยมรรคเนี่ยนะเมื่อดํารงมั่นอยู่ในอริยผลอย่างนี้แล้วเนี่ยนะท่านเหล่านั้นคือนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าทําบุญกับผู้ที่พ้นจากขันห้าไปแล้วอ่ะจะได้รับได้บุญมากอ น, นะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าพระนิพพานเนี่ยมีคุณขนาดไหน อย่างพระพระสาวพระสงฆ์ทั้งหลายที่แทงตลอดท่านิพพานที่สงบระงับจากสังขารออกจากสังขารได้เนี่ยถือว่าเป็นนาบุญทีนี้บุคคลทั้งหลายที่ไปกราบไปไหว้เคารพนับถือผู้เป็นนาบุญอย่างนั้นกลับได้บุญอย่างมากะนะเราเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะ ท, ทั้งทั้งที่ท่านเหล่านั้นไม่บริโภควัตถุ ด, ด้วยฉันนราคะเลยนะแล้วบุคคลทั่วไปไปกราบไหว้ท่านท่านก็ไม่ได้ยินดีอะไรเลย แต่ทําไมการกราบไหว้บุคคลผู้มีคุณเช่นนั้นจึงมีผลมีกําไรมากเหลือเกินเนี่ยเป็นนาบุญจริงๆะนะนีคือไม่ใช่นาเกลือนะแม้ว่าปลูกอะไรทําอะไรไปแล้วก็ไม่ได้ผลแต่ท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นนาบุญอย่างแท้จริงมันก็ทั้งที่กล่าวไปก็คือเป็นคํานอบน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดพระธรรมคําสอนเนี่ยนะพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่สูงสุดและหมู่พระอริยะทั้งหลายที่ปฏิบัติ เข้าถึงธรรมะที่สูงสุดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วด้วยเดชานุภาพแห่งบุญที่เกิดจากการไหวพระตนะไตรดังได้พันณ า, นามาีิขอข้าพเจ้าจงปลอดจากอันตรายในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออันนะันก็บุญที่เกิดจากการนอบน้อมนะห้ามทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมบางอย่างได้ห้ามอุปชาเวทนิยกรรมบางอย่างที่ของชาติแล้วนะห้ามอปราปริยะเวทนยกรรมหลายอย่างได้ แล้วก็บุญที่เกิดจากการนอบน้อมพระตาณาตรัยเนี่ยกจัดราคะโทสะโมหะในขณะนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นด้วยเดชแห่งบุญนั้นกระจัดทั้งอันตรายภายนอกและภายในขณะที่นอบน้อมพระตาณาตรัยขณะนั้นกําจัดราคะโทสะโมหะเป็นต้นขณะที่นอบน้อมพระตาณาตรัยก็ห้ามกรรมที่เป็นบาปที่จะให้ผลได้เนี่ยนะที่จะให้ผลได้ในในบางกรรมนะในบางกรรมเนี่ยบุญประเภทเนี่ยไปตับได้ ไปไปห้ามเพราะเป็นบาปที่จะให้ผลนี้เพราะอะไรนะเพราะประโยควิบัติใช่ไหมบาปจึงให้ผลในขณะที่นอบน้อมพระรัตนตรัยขณะนั้นเป็นประโยค่าสมบัติจึงห้ามบาปบางส่วนที่จะให้ผลได้นี่นะเป็นประโยคสมบัติทีนี้ก็ย้อนมาที่เถราคถาว่าคาถาเหล่านั้นใดที่ปราศจากอมิตรอันเถระทั้งหลายผู้เสร็จกิจแล้วเสร็จกิจนะพระทหารทั้งหลายเสร็จกิจ16 เนี่ยนะคือกิจในการเจริญมรรคสี่เพื่อทําปริญญากิจปหานากิจสัชกิริยากิจภาวนากิจเนี่ยนะพันโสดาปฏิมรักสกาธาคามิมรักอนาคามิมรักอรหัตมรักเนี่ยมรรคสี่ทำกิจสี่ประการในอริยสัจสี่เรียกว่ากิจสิบหกผ้าหัน์เหล่านั้นเนี่ยทำกิจสิบหกจบแล้วแล้วก็คงที่ในทุกอารมณ์ทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาท่านก็ไม่กําหนัก อารมณ์ที่น่าชิงชังท่านก็ไม่ขัดเคืองเนยนะเพราะรอบรู้สิ่งเหล่านั้นโดยบริบูรณ์พระอรหันต์เหล่านั้นก็มีพระสุภูติเถระเป็นต้นนั่นเองพระสุภูติคือใครคือน้องของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเนี่ยนะน้องชายคนใกล้เลยนะเป็นมหาเศรษฐีเลยแหละที่ออกบวชเนี่ยพระสุภูติเป็นเป็นเอตทัคคะด้านอารณะเนี่ยนะอ า, อารณธรรมเนี่ยนะ เรียกว่าไปอยู่ธรรมะโดยไม่ต้องรนรงอะไรเลยเป็นคนดีจริงๆอ่ะนะแล้วก็เป็นน้องของอนาถบินทิกาเศรษฐีแล้วก็ลูกชายของอนาถบินทิกาเศรษฐีก็ที่เป็นพระอรหันตก็มีเนี่ยนะออกบวชเป็นพระอรหันตก็มีในเถระคาถาเนี่ยนะก็จะต่อด้วยเทรีคาถานะทั้งเถระคาถาและเทรีคาถาที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นภาสิทธ์ไว้แล้วและคาถาเหล่าใดที่ล้ําลึกนะลึกล้ําเนี่ย ก็คือบ่งถึงลึกนะสิ่งที่ลึกซึ้งคืออะไรลึกซึ้งโดยอัดโดยทำโดยนะโดยอัดโดยทำโดยเทศนาและโดยปฏิเวทละเอียดอ่อนที่ละเอียดอ่อนเนี่ยพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนใช่ไหมถ้อยคําที่พูดถึงพระนิพพานจึงเป็นคําที่ละเอียดอ่อนเนี่ยนะท่านธรรมะคำที่ท่านกล่าวเหล่านั้นละเอียดอ่อนหมดเลยที่ละเอียดอ่อนเพราะสิ่งที่ท่านกล่าวถึงคือพระนิพพานที่สงบประงั เพราะฉะนั้นอัตถกาถาท่านบอกว่าคาถาเหล่านั้นอะสับแล้วโดยวิธีมีอุทานเป็นต้นแต่และท่าน ท, ที่ท่านเปล่งออกมาบางท่านเปล่งด้วยอุทานบางท่านเปล่งจากถูกถามท่านก็เปล่งออกมาเนี่ยนะปฏิสังยุตด้วยสุญญาตาธรรมสุญญาตาธรรมก็คือว่างเปล่าจากสัตตสัญญาเนี่ยนะว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความ ยั่งยืนว่างจากผู้สร้างผู้เสวยเนี่ยนะเรียกว่าปฏิสังยุตด้วยสุญญะธรรมเนี่ยนะก็คือโลกุตระธรรมนั่นเองเพราะถือว่าพระนิพพานเนี่ยสูญอย่างยิ่งใช่ไหมสู์จากราคาโทสะโมหะศูนย์จากสังขารทุกชนิดนะนะว่างจากสูญเนี่ยแปลว่าว่างพระนิพพานเนี่ยสูญจากกิเลสสูญจากสังขตะธรรมทั้งปวงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการประกาศธรรมะของพระอริยเจ้าทั้งหลายพระธรรมสังคฆาการ์จานคือพระอรหันห้าร้อยรูปที่ทําสังขยาณาเนี่ยนะ พระรหัเหล่านั้นก็เป็นผู้คงที่ในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่มีราคะไม่มีโทสะในทุกอารมณ์เลยอะ่ะเป็นผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะพระเถระเหล่านั้นสแสวงหาศีละคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณวิมุตติญาทณทัศนะคุณหลายท่านศึกษาคําสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยเกิดสงสยัยเคลือบแคลงในคําสอนจริงๆไม่น่าสงสัยหรอกเพราะคนที่เรียบเรียงเนี่ยไม่มีกิเลสอะ่ะ แล้วเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเพรา ะ, ะ น, นบุคคลเหล่านี้เราไม่น่าระแวงท่านหรอกไม่นะ่ะเพราะท่านดีจริงๆอ่ะหนึ่งท่านไม่มีความชั่วทางกายวาจาใช่ไหอันนั้นศีลของท่านดีความคิดชั่วทางใจของท่านก็ไม่มีแม้แต่นิดเดียวอภิชาท่านก็ไม่มีพยาบาทท่านก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิท่านก็ ไม่มีในขณะเดียวกันบริบูรณ์ด้วยปัญญาเนี่ยนะบริบูรณ์ด้วยปัญญาทั้งที่เป็นโลกปัญญาทั้งที่เป็นสุตะมยะปัญญาจินตะมยะปัญญาภาวนามยะปัญญาหรือว่าสุตะมยะปัญญาศีลมยะปัญญาเนี่ยนะสมาธิภาวนามยะปัญญาปัญญาในการ กำหนดปัจจัยปัญญาในการพิจารณาตรายรักปัญญาในการพิจารณาเหตุเกิดความดับปัญญาในการปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัด น, นะบรนลุแทงตลอดโลกุตระทำปัญญาในการทรงจําคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านเหล่านั้นดีบริบูรณ์หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะว่านะท่านเหล่านั้นน่าสงสัยเลือเกินน่าหวาดระแวงเลือเกินท่านจะหลอกเราหรือเปล่านะไม่ต้องห่วงเลยเพราะไม่มีไม่มีใครที่จะดีไปกว่า น, นี้อีกแล้วเนี่ยนะท่านเหล่านี้ยปกติแล้วนะ ท่านรักธรรมมากกว่าชีวิตของท่านเนี่ยนะให้ท่านพูดมูสาเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วสิ่งที่ท่านพูดนะจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยส่วนเดียวเพราะท่านกําจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปหมดแล้วเนี่ยนะพระอรหันต์เนี่ยไม่มีเพอเจอร์แม้แต่นิดเดีย ว, วยนเนี่ยนะแล้วพระอรหันต์ที่ทําสังขารนานะเป็นบุคคลที่ละเพอเจอร์ได้หมดแล้ว ไม่ต้องห่วงว่าคําพูดเหล่านั้นเนี่ยจะนํามาซึ่งความเสียหายในภายหลังไม่มีเนี่ยนะไม่มีใครที่จะพูดดีขนาดนี้อีกต่อไปแล้วเนี่ยนะสำนวนว่าเป็นตาช่างได้เลยอ่ะเนี่ยนะช่างความถูกต้องผิดชอบชั่วดีเนี่ยนะเพราะไม่มีอคติได้เลยถ้าเป็นแบบในโลกนี้เขาก็ต้องการกรรมการที่ถูกต้องใช่ไนหะมกรรมการที่เที่ยงธรรมนะไม่ว่าจะเกิดการแข่งขันอะไรเนี่ยคือไม่เอ็นเอียงไปหาอย่างใดอย่างหนึ่งพระรหันเหล่าเนี่ยท่านเที่ยงธรรมขนาดนั้น สิ่งที่เป็นอกุศลท่านจะบอกว่าอกุศลสิ่งที่ ม, ทมีโทษ ท, ท่านบอกว่ามีโทษสิ่งที่ดีท่านบอกว่าดีสิ่งไม่ดีท่านไม่บอกว่าดีสิ่งใดให้ผลเป็นสุขท่านก็ว่าเป็นสุขสิ่งใดให้ผลเป็นทุกข์ท่านก็บอกเป็นทุกข์สิ่งใดควรกําหนดรู้ท่านก็แนะนําสิ่งใดควรละท่านก็จะแนะนําหมดเลยนะไม่มีอคติในในสิ่งนั้นๆเลยอคตินี่แปลว่าสิ่งที่บัณฑิตเขาไม่ไปกันท่านเหล่านั้นเป็นบัณฑิตเนี่ยท่านจะไม่ไปด้วยอำนาจฉันทะคือกิเลสนําหน้าไม่มีราคะนําหน้าไม่มีโทะนนําาห้ ไม่มีโมหะนำหน้าไม่มีแล้วก็ท่านเหล่านั้นเนี่ยจะไม่มีความกลัวนำหน้าเนี่ยนะกลัวเสียชื่อเสียยศเสียลาบเสียสการะด้วยความโง่ความเขาไม่มีในตัวท่านแม้แต่นิดเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างแท้จริงท่านเหล่านั้นฟ้าผ่าไม่สะดุ้งอะ่ะของเราดูทีว่าเงียบๆแล้วก็อะไรดังมากระจะสะดุ้งหรือเปล่าน่นะต้องดูเอา แล้วพระธรรมสังคหากาจาร์เหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้สแสวงหาคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะรวบรวมคาถาเหล่านั้นเอาไว้ในคัมภี์คุตกานิการโดยเรียกชื่อว่าเทระคาถ า, าและเทรีคาถา น, นะพระพระรูปนี้ชื่อว่าพระธรรมปาระเนี่ยนะที่ที่แต่งอัตกระถาประมาถทีปณีเนี่ยท่านเนี่ยมีผลงานของท่านนะเช่นอนะคัมภีร์ประมาททีปณีเกือบทุกคัมภี์เป็นของท่าน ความสามารถของพระพระธรรมปาละรูปนี้นะอัตตกถาของคำภีเนติปกรณ์ท่านก็เป็นคนเรียบเรียงนี่นะอัตตกถาเออเข้าไปดีกาวิสุทธิมักท่านก็เป็นผู้เรียบเรียงอัตตกถาอิติวุตกะท่านก็เป็นผู้เรียบเรียงและอัตตกถาอุทานพวกนี้นะท่านก็เป็นผู้เรียบเรียงท่านเป็นผู้มีความสามารถสูงมากถ้าว่าสติปัญญาแล้วรองพระพุทธโคสาจาร์เท่านั้นเองชาวลังกะ แ ต, แต่บางท่านก็ว่าเป็นชาวอินเดียมกันแต่ว่าคัมภีร์เหล่านี้เรียบเรียงที่ศรีลังกาทั้งหมดนั่นคือท่านเหล่านี้เป็นผู้เรียบเรียงนะไม่ใช่เป็นคนเขียนขึ้นเป็นคนอะไรขึ้นคือเป็นผู้ปริวัติอ่ะนะชำระสาสางเพราะนั้นท่านก็ออกตัวว่าการแต่งอัตถกาถาพันนาตามลำดับคําอ่ะลำดับบทลำดับคําเนี่ยที่มีอัดอันลึกซึ้งอัดคือคือมักผลนิพานเป็นต้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากที่ข้าพเจ้าทําอ่ะ มิใช่ของที่จะทําได้ง่ายเลยท่นก็บอกออกตัวนะการที่จะมาอธิบายข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานที่ายชี้แจงในเรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยถ้าลําพังท่านเนี่ยไม่ใช่ทําได้ง่ายเลยเพราะเป็นอัดที่จะพึงยั่งถึงได้ก็ด้วยคำภีริยานคือจะเข้าใจถึงคําสอนเนี่ยนะสมมุติว่าชี้เรื่องพนิพพานเนี่ยนะคำสอนที่ชี้นิพพานคนที่จะเข้าใจคําชี้อันนี้ต้องเห็นพนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยเหมือนกัน คำสอนที่ชี้เรื่องมรคะนะคนที่บรรลุมจรจึงจะฟังแล้วเข้าใจแล้วจะเห็นด้วยหลังรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นบอกว่าใครที่จะเข้าถึงคําสอนแต่ละบทแต่ละบทเหล่านั้นเนี่ยจะต้องด้วยญาณอันลึกซึ้งจริงๆแต่อัตตกถาจะช่วยทรงาศาสนาของพระาศาสดาเอาไว้ได้ถ้าไม่มีอัตตกถานะการตีความพุทธพจน์จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นที่จะรักษ า, าศาสนา ย่าลืศาสนาคือเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยนะถ้าไม่มีอัตกถาที่จะช่วยทรงช่วยรักษาศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นอัตกถาเนี่ยที่จะช่วยดํารงศาสนาทั้งปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาปฏิเวทิศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ได้ทั้งวินิจฉัยเนี่ยนะพูดถึงสมัยท่านว่าวินิจฉัยบรรดาบุรพาจารย์คืออาจารย์รุ่นก่อน ผู้เปรียบปานดังราชสีก็ยังคงดำรงอยู่ด้วยสมัยนั้นอัธกถ า, าก็ยังอยู่เนี่ยนะแต่ว่ายังมีความหลากหลายอ่ะนะยังมีคาว่าหลากหลายหมว่าอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างไม่ได้มามีการจัดเรียงกันอย่างเป็นแบบเป็นแผนมันท่านก็มาทำให้มีแบบมีแผน น, นะมาขยายตามลำดับคำลำดับคำลาดับคาตรงไหนที่ซ้ำก็เอาออกไปตรงไหนที่ควรขยายเพิ่มก็ขยายเนี่ยนะท่านก็ขยายให้ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจักขอแต่งอัตกถาเทรกระถาและเทรีกาถาเต็มกําลังความสามารถานะแปลว่าทํานี้เอาเขาเรียกว่าทำอย่างเรียกว่าไม่มีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรนะนะทำทำอย่างสุดชีวิตแบบนั้นเถอะโดยจะยึดวินิจฉัยของบรรดาบูรพาจาร์นั้นเป็นหลักถือเอานิกายห้าเป็นเกณฑ์อันนะอาจารย์เหล่านั้นอธิบายว่ายังไงแล้วท่านเนี่ยเป็นผู้ทรงพระตัยบิดกอยู่แล้ว ท่านทรงพระไตรปิฎกและอ่านอัตถกาถา ม, มามากเพราะนั้นคำํำวิธีบรรยายของอาจารย์ไดรอาจารย์เนี่ยที่ที่บรรยายในสมัยนั้นนะท่านตรวจกับพระไตรปิฎกตลอดเนี่ยนะคือคื อ, คอท่านเหล่านั้นเนี่ยสติปัญญาเนี่ยไม่ต้องห่วงอะ่ะแต่ละคํานะบทนี้อยู่ในพระไตรปิฎกตรงไหนบ้างท่านรู้หมดเพราะฉะนั้นถ้าคําอธิบายอย่างนี้ขัดแย้งกับคมภี์ใดคมภีร์หนึ่งท่านจะรู้ทันทีเพราะฉะนั้นท่านจะเอาเอาเอานิกายห้านะแปลว่าเอาพระไตรปิฎกอะเป็นที่ตั้งแล้วดูวินคําวินิชัยทั้งหลายแหละเนี่ยนะ แล้วก็อิงนัยยะจากโบราณโบราณอัตกถาทั้งหลายว่าโบราณอัตกถาเนี่ยท่านท่านให้แนวไว้อย่างไรเนี่ยนะแล้วพระไตรปิฎกขยายไว้อยังไงอาจารย์ทั้งหลายวิจัยกันอย่างไรเนี่ยนะถึงแม้จะเป็นเพียงคําบอกกล่าวที่ได้อาศัยอ้างอิงกันมาแต่ก็บริสุทธิ์ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนเป็นการมินิชัยที่ละเอียดของบรรดาบูรพาจารย์คณะมหาวิหารและข้อความของอัตกถาเหล่านี้เวน้นอนุปุพพิกถาเสียแล้วก็รู้ยาก คือคาถาแต่ละคาถานะขึ้นต้นอธิบายคําในเถรคาถาไปเลยเนี่ยรู้ยากเพราะอะไรเพราะไม่รู้เรื่องว่าก่อนหน้านี้เรื่องมายังไงไปยังไงเปล่งคําเหล่านี้เพื่ออะไรเนี่ยนะทั้นก็ต้องมีการเชื่อมข้างหน้าให้เห็นก่อนใช่ไหมแล้วก็ต่อให้ตอนท้ายด้วยเนี่ยนะนะก็จะอธิบายความในตรงนั้นนะคือทั้งเชื่อมต่อทั้งขยายทั้งให้เห็นความเป็นมาความเป็นไปทั้งหมดเลย ข้าพเจ้าจะนําอนุปุพภิกถาเหล่านั้นของคาถาเหล่านั้นมาแสดงให้แจ่มแจ้งทั้งจะแสดงข้อวินิจฉัยนั้นอีกคําว่าอนุปุพภิกถาเมื่อกี้หมายถึงว่าเช่นพระรหัต์เหล่านี้ท่านทําบุญตั้งความปรารถนามาตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านเคยทํากุศลอะไรที่สําคัญมาบ้างออกบวชที่ไหนออกบวชอย่างไงใครเป็นอุปชา บวชมาแล้วพ่อฟังคำสอนอะไรไปปฏิบัติยังไงจึงได้บรรลุพอบรรลุแล้วเปล่งคาถาอะไรออกมาแล้วคำที่ท่านเปล่งมีความหมายว่ายังไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกิจของท่านท่านก็จะทำงานในลักษณะนั้นนะสาธุชนทั้งหลายขอท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจสดับ ก, การพันน า, นาความแห่งอัตกถาเทรค า, าถาและเทรีคาฐานั้นซึ่งจะจาแนกต่อไปของข้าพเจ้า ผู้หวังให้พระสัทธรรมดํารงมั่นอยู่ได้นานต่อไปเถิดที่ท่านทำเนี่ยต้องการให้พระศัทธรรมเนี่ยดำรงมั่นอยู่นานเนี่ยนะทั้งหลายท่านของเราทั้งหลายเรานเนี่ยนะก็ทั้งผู้การเป็นต้นนี่ก็ก็หวังให้พระศัทธรรมดารงมั่นอยู่นานใช่ไหมตัวเองได้ศึกษาด้วยแล้วก็เพื่ออนุเคราะห์ผู้อื่นด้วยเนี่ยนะก็คือหวังเพียงแล่ว่าทํายังไงสัทธธรรมจะจะเจริญงอกงามแพร่หลายในบรรดา สัตว์ทั้งหลายนะเห็นเขาอ่านพระไตรปิฎกบ้างเห็นเขารักษาศีลก็เราก็ดีใจใช่ไหมเพราะเห็นว่าสัต์ธรรมทั้งหลายเนี่ยดำรงมั่นอยู่ในเขาเหล่านั้นแล้วเห็นเขารักษาศีลเราก็ดีใจกับเขาเห็นเขาอ่านพระไตรปิฎกเราก็ดีใจกับเขาเพราะอะไรเพราะสัตว์ธรรมเริ่มดํารงมั่นอยู่ในเขาถ้าผู้ใดมีสัตธรรมดํารงมั่นอยู่ในจิตใจของบุคคลใดบุคคล น, นั้นไม่สูบทุกติอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นบุคคลที่ที่ควรควบหา ควรรู้จักเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นน่ะคือผู้ปฏิบัติกําจัดความโลภนะถามว่าควรครบไหมคนที่มุ่งปฏิบัติเพื่อกําจัดความโกรธเนี่ยควรครบไหมคนที่ปฏิบัติเพื่อกําจัดความโง่เขลาหลงงมงายเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ควรคบเนี่ยนะบุคคลเหล่านั้นที่เขาเขาไม่ได้ศึกษาเขาไม่ได้ปฏิบัติเขาไม่ได้ทําอย่างนี้เพราะเขายังไม่ได้ฟัง คำสอนเนี่ยนะเขายังไม่ได้ฟังคําสอนขอให้เขามีโอกาสฟังคําสอนเถอะหลายๆท่านเนี่ยพอได้ฟังคําสอนนี่ก็แยกแยกออกว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็บอกว่าผู้ที่มีอินทรีย์เนี่ยพอที่จะรู้อมีอยู่แต่เขาเหล่านั้นไม่ได้ฟังเขาก็จะเสื่อมไปจากประโยชน์เนี่ยน ะ, ะน่านพระธรรม ป, ปาละเนี่ยท่านก็คิดอย่างนั้นว่าถ้าตรรกถานไม่มีเนี่ยนะถ้าไม่มีคําอธิบายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เต็มไปด้วยความมืดกันไปหมด แต่ถ้าหากว่าคําสอนเหล่านี้ได้รับการเปิดเผยได้รับการอธิบายผู้ที่ศึกษาก็จกะจะมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามได้แต่ที่ท่านทนํานี้ท่านทำเพราะต้องการให้พระสัตยธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในโลกได้ยาวนานต่อไปถามว่าเพราะอะไรเพราะเพื่ออนุเคราะห์เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่อให้เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้รับประโยชน์ เกื้อกูลและความสุขนั่นนะเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าดารงอยู่ในโลกนานเท่าใดเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายก็จะให้ทานสัตว์ทั้งหลายก็จะรักษาศีลสัตว์ทั้งหลายก็จะอบรมสมถะและวิปัสสนาสัตว์ทั้งหลายก็จะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะมีอยู่คำหนึ่งท่านมินิจฉัยว่าถ้าปริยัติศัทธธรรมยังอยู่ก็เหมือนกับว่า สระโบกกรณีที่ยังมีคันมีอะไรเบ็ดเสร็จบริบูรณ์เนี่ยนะยังมีคันใช่ไหมถ้ายังมีคันก็แปลว่าสระโบกกรณีนั้น่ะลึกถ้ายังมีขอบมีคันดีอะนะสะโบกกรณีอันนั้นเราคิดว่าจะมีน้ํำไหมถ้ามีขอบมีคันไม่มีรั่วไม่มีซึมออกไปเนี่ยถ้าฝนตกลงมาน้ําก็จะขังได้ถ้าน้ําขังได้ถามว่าจะมีดอกบัวไหมในสะันั้นเนี่ยนะดอกบัวจะบานได้ไหม บานได้ฉันหดถ้าประิยะติศาสนายังอยู่เนี่ยนะกุลบุตรทั้งหลายผู้มีบุญเป็นต้นเนี่ยนะก็จะได้ยินได้ฟังคำสอนในประิยะติธรรมเหล่านั้นเมื่อเขาได้ยินได้ฟังภาพรประิยะติธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะเนี่ยที่เราว่ามี ร, รั้รวรอบขอบชิดหรือมีคันมีอะไรเรียบร้อยดีแล้วท่านเหล่านั้นก็เริ่มหยั่งฝนคือการฟังธรรมการแสดงธรรมเป็นต้นให้เกิดขึ้นก็เหมือนกับฝนตกลงมา น้ำก็เริ่มขังขึ้นเนี่ยนะเมื่อเขามีคุณคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยน้ำก็เริ่มขังขึ้นขังขึ้นศีล ส, สมาธิปัญญาที่อบรมเจริญงอกงามเ่ยนะก็ทําให้ดอกบัว yes. บานได้เนี่ยนะดอกบัวก็บานได้เพราะนั้นการบรรลุมรรคผลก็มีได้อ่า น, นะที่บรรลุมรรคผลมีได้ก็เพราะว่าคําสอนที่ชี้ข้อปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลเนี่ยยังอยู่ถ้าคําสอนที่ชี้ข้อปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลเนี่ยหายไป การจะบรรลุมรรคผลเนี่ยมีได้ไหมก็มีไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างพระเทระทั้งหลายที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยคือผู้ที่บรรลุมรรคผลท่านเหล่านั้นบรรลุมรรคผลก็ชี้แนวทางแห่งการบรรลุมรรคผลเอาไว้ด้วยเั้นถ้าคำคำกล่าวเหล่านี้ของท่านเหล่านั้นยังอยู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลก็เชื่อว่ายังอยู่แน่เนี่ยนะเชื่อว่ายังอยู่ถามทําไมเพราะว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาน ผู้มีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยปฏิบัติไม่นานสักเท่าไร่จักบรรลุขอให้มีคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ยังรับรองอย่างนั้นเลยขอให้ปฏิบัติเถอะสอนเช้าบรรลุเย็นก็ได้สอนเย็นบรรลุเช้าก็ได้ถ้าเขามีคําสอนที่มาตรฐานถูกต้องแล้วเขาเป็นผู้ปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาบรรลุได้จริงๆแต่สําคัญที่สุดว่ายังไม่รู้ว่าบรรลุอะไรถึงทําจริงก็ก็ไม่ได้บรรลุอยู่แล้วนะ แลก็ว่าโหขยันเดินทางเนี่ยเดินทางวันละร้อกิโลเมตรเนี่ยแต่ยังไม่รู้ว่าเดินไปไหนเลยนะโอ้จะไปถึงไหนเนี่ยนะดีไม่ดีก็ก็าจึงมีอุปมาว่าตาบอดไปลักควายแล้วก็จูงควายนี้ทั้งคืนเนี่ยนะแต่ว่าควายมันพาเดินวนรอบบ้านนะ่ะทำไงก็เดินวนอยู่ในนั้นแหละเช้ามาเอ้าไม่ได้ไปไหนเลยงั้นนะนี่ก็เหมือนกันผู้ที่ปฏิบัติผิดทั้งหลายเนี่ยนะเพื่อจะออกจากวัตฏะเนี่ยพอกัน ก็เดินวนอยู่ที่เดิมเนี่ยลองเดินรอบสาากลมดูนี่เถอะจะเดินเร็วเร็วขนาดไหนก็ตามก็จะอยู่ที่เดิมเพราะอะไรเพราะไม่รู้ทางออกว่าเขาออกไปได้ยังไงเนี่ยนะเนี่ยเราเราอยู่อย่างไงถามว่าเราจะออกจากความคิดที่เป็นอกุศลได้ยังไงน่นะถ้าไม่รู้แนวทางออกได้ไหมไม่ได้แค่ออกจากอากุศลยังออกยากแล้วทีนี้ถ้าออกจากกรารมมาพบ่จะควรจะออกด้วยคุณธรรมอะไร ถ้าจะออกจากรูปประพบเนี่ยออกด้วยคุณธรรมอะไรถ้าออกจากพบทั้งปวงออกด้วยคุณธรรมอะไรถ้าไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, มีคําสอนไม่มีอะไรเนี่ยโอ้ออกไม่ได้อยู่แล้วเนะ น, นี่ยนะก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ก็มีคนเข้าใจว่าออกแล้วออกแล้วจริงไม่ได้ออกอะไรเราก็เฝ้าอยู่ที่เดิมนั่นแหละแมก้กระทั่งบางคนก็บอกว่าเขานขนออกแล้วเนี่ยนะออกของเขาก็คือไปเอาขันห้าอันใหม่แล้วว่างั้นน่ะนั่นแหละเขาออกแล้วจริงก็ได้ขันห้าอันใหม่เพิ่มเท่านั้นเอง ก็เทรคาถาและเทรีคาถาแต่ละคาถาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคำถามและมีประบัติความเป็นมาอย่างไรถึงความข้อนี้ท่านกล่าวไว้ในคาถาทั้งหลายแล้วก็จริงแต่เทระคาถาที่พระสุภูติเทระเป็นต้นกล่าวแล้วในคาถานั้นข้าพเจ้าจะกล่าวซ้ําอีกเพื่อทําข้อความให้ปรากฏก็พระเทระเหล่านั้นพิจารณาเห็นสุขอันเกิดจากมรรคผลตามที่ตนบรรลุแล้วก็กล่าวคาถาบางอย่างเอาไว้ พาาระอรหันต์บางรูปนะที่ท่านอุทานเป็นเถรคาถาเนื่องจากท่านได้รับความสุขที่เกิดจากมรรคผลคือเช่นเข้าอบรมอริยมรรคอริยมรรคเกิดขึ้นเกิดอริยผลได้อริยผลท่านก็มีความสุขในการเข้าพระสมาบัติพอท่านออกจากพระสมาบัติท่านก็เปล่งอุทานออกมาเนี่ยนะอันนี้เป็นคำของพระอรหันต์บางท่านเป็นอย่างนั้นบางท่านกล่าวสามารถด้วยอุทาน บางท่านเนี่ยกล่าวคาถาบางอย่างด้วยสามารถแห่งการพิจารณาธรรมเป็นเครื่องอยู่คือสมาบัติของตนเนี่ยนะก็เพราะพิจารณาถึงคุณธรรมที่ตัวเองปฏิบัติอยู่เนี่ยนะก็เปล่งออกมาบางท่านก็ด้วยสามารถแห่งคำถามคือเขาถามก็เปล่งคำตอบออกไปบางท่านก็กล่าวไว้ด้วยชี้ให้เห็นว่าคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเป็นนิยานิกธรรม อ, นะอานะอัดของอริยศสต ร, ร์มี4ี่ใช่ไหม ทุก อ, อริยศาสตร์มีสี่ทุกขสมุทยัยนิโรธมากเนี่ยนะทุกขศาสตร์ก็มีอัดมาอย่างไงปีลณะเบียดเบียนสังคตะถูกปัจจัยปรุงแต่งสันตาปณะเนี่ยนะเป็นของรอ้อนอีตัวหนึ่งคื อ, อวิปริณัมเป็นสิ่งที่แปรปรวนเป็นธรรมดาอันนี้คืออัดของทุกขศาสตร์ว่าทุกทั้งหลายนะอุปาทานขันห้ามเป็นอย่างนี้แหละนะเดือดร้อนบียดพันเบียดเบียนแปรปลวนอยู่อย่างนี้แหละแล้วสมุทัยล่ะนํามา นี่ทานเนี่ยนํามาอายุหานะเนี่ยเป็นตัวที่นําเกิดมางั้นเถอะประมวลมาตัวประมวลมาซึ่งทุกขอย่างเดียวอ่ะนะงานของตันหาเนี่ยเขาพาสร้างสร้างทุกอย่างเดียวนิทานนะแล้วก็ปริพ ooth นะปริโภ o t ก็คือกังวลนะ่ะสังโยคะประกอบไว้ผูกพันไว้พันไว้พัวไว้เกาะไว้เกี่ยวไว้อย่าออกนะอยู่นะอีนนนะ่คือคือเป็นลักษณะนั้นนะ่ะเรียกว่าเป็นเหมือนกับ เคยไหมถ้าเราจะออกไปจากที่ใดที่หนึ่งะนะ ก, ก็มีคนมาคอยพัวพันเอาไว้นะอย่าออกเลยออกไม่ดีหรกอกยูเธอมันยางงั้นยางเงี้ยนะลักษณะของตัญหาเขาจะเป็นอย่างนั้นคอยปลุกคอยปลอบคอยให้กำลังใจมันยังดีนะมันมันก็เกาะเกี่ยวไว้อย่างนี้แหละทีนี้อัดของนิโรธละ่ะเนี่ยนะวิเวกสงัดเนีย่ยนะอัสังฆตะไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอมะตะไม่ตายแล้วก็ไหนอ่นะ วิเวกนะสังกัดใช่ไหมอมะตะอมะตะก็คือไม่ตายอสังคตะไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งในตัวหนึ่งก็คือนี่นึกไม่ออกอันนั้นก็เป็นอัตของนิโรสัจนะนะส่วนมรรสัจเนี่ยนะอัตอันแรกนิยานิกระมหรือนิยานิกัะโถมีอัตว่านําออกจากอุ ป, ปาทานขันนําออกจากตันหานําออกจาก จากทุกทั้งมวลน่ะนำออกจากวาตตะนเนี่ยนะังั้นพระอรหันต์บางรูปท่านเปล่งอุทานเพราะว่าคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนําออกจากทุกจริงเคยถามคําถามของบางท่านว่าที่มาศึกษาคําสอนเนี่ยเห็นประโยชน์ของคําสอนว่าอย่างไงเขาบอกว่าเห็นประโยชน์ของคําสอนเนี่ยคําสอนเนี่ยนาเข้าออกจากทุกได้จริงเนี่ยนะอ๋อหมอวันลบนั่นแหละถามหมอศึกษาเป็นยังไงหมอ คือเชื่อว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนำเขาออกจากวัตจทุกข์ได้จริงถามว่าทําไมเขาจึงคิดอย่างนั้นเพราะเห็นคนอยู่กับกองทุกข์เนี่ยเป็นอย่างมากนะเห็นแต่คนป่วยเห็นแต่คนทุกข์เห็นแต่คนยากเห็นแต่คนเดือดร้อนเนี่ย่คําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าปฏิบัติตามนะนำออกจากกองทุกข์ได้จริงเนี่ยนะพระอรหันต์บางท่านเนี่ยเป่งอุทานเพราะว่าเห็นคุณว่าคําสอนนําออกจากทุกข์ได้จริงบางท่านก็เป่งอุทานเพราะอะไรอีกเนี่ยนะเพราะ เออมักเนี่ยเป็นเหตุของการพ้นจากวะะัฏะมักนั้นอะ่ะเป็นเป็นการเห็นพระนิพพานอย่างแท้จริงเนยนะไม่มีสิ่งอื่นที่จะไปเห็นนิพพานได้ดีเท่ากับมักอีกแล้วแล้วผู้ที่มีคุณธรรมคือมักเนี่ยนะเป็นคนทุกคนยากไหมเป็นยาจกอนาถายากไรไหมไม่เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะบริบูรณ์ด้วยอริยศัพผู้ที่บริบูรณ์ด้วยอริยสัพย์คือศรัทธาศินสุตะจาฆะปัญญาหิริโอตตปะ อยากคิดว่าเขาเป็นคนยากเลยเนี่ยนะอยากคิดว่าเขาเป็นคนขัดสนถามว่าทําไมไอ้ที่เขาขัดสนเนี่ยมันเป็นผลของบา ป, ปรกรรมในปางก่อนถ้าลองบุญเหล่านั้นมันให้ผลเลนะี่ยะบุญเหล่านั้นมาให้ผลเนี่ยนะอ่าก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยอย่างเรียกว่าสุปปพุทธกุฏิโรคเรือนเนี่ยพอฟังทำบมรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยไ ป, ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นต้นเท้าสากาักกะต้องหลบทางให้อะ่ะ นะตอนเป็นมนุษย์เนี่ยแกจนที่สุดในเมืองราชครือก็ตายตา ย, ตายเป็นเทวดาเนี่ยเท้าสากะายังหลีกทางให้นะเพราะรัศมีแกดีกว่านะมีบุญมากกว่ามีบริวารมากกว่ามีอะไรมากกว่าเนี่ยนะตอนหลังเนี่ยเท้าสาก่านี่แกเครียดมากอนะนะไม่สนุกเลย อ, ะ อ, อ, อ, อ่ะพราะเพราะอาพาธเทวดาที่เกิดใหม่ๆเขาเ้ามาลูกมรรคผลนะ่ะตัวเองไม่ได้อะไรอะ่ะเพราะตัวเองไม่ได้อะไรจะทํำไงก็เดือดร้อนเนี่ตอนหลังแบบ จะตายก็ยิ่งเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกเดี๋ยนะฟังทำเป็นพระโสดาบันนะบอกแม่ค่อยยังชั่วเหมือนกันเนี่ยนะแกก็เที่ยวหาทางมาสายบาดอยู่เรื่อยนะที่ที่จะได้มีบุญให้ทันกับเพื่อนเขาหน่อยอนะเป็นเจ้านายอะ่ะแต่ว่าบุญน้อยกว่าพวกอะ่ะทําไงเอาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะในเวลาทำสังขารนานะพระเทเรเหล่านั้นท่านก็มาเรียบเรียงเอาไว้เทระคาานนี้นับเนื่องในพระสุตันตปิฎกนะปิฎกมีสามใช่ไหย พระไตรปิฎกมีสาปิฎกคือพระสูตรพระวินยัยพระพิธรรมเถรคาถาก็อยู่ในพระสูตรคัมภีร์ไตรปิฎกเนี่ยระว่าโดยนิกายก็มีอยู่ห้านิกายคือทีฆนิกายมัชชิมะนิกายสังยุตตนิกายอังคุตรานิกายคุถการนิกายส่วนเถรคาถานี้นับเนื่องในคุถการนิกาย คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีองค์เก้าเนี่ยคืออะไรสุตตะเคยะวยาการณาคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทะละเทระคาถานี้เป็นคาถาในองค์เก้านะเป็นธรรมะขันเล็กน้อยในบรรดาพระธรรมแปดหมื่นสี่พันระธรรมะขันที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เนี่ยนะก็คือเป็นธรรมะขันเล็กน้อยนะไม่มากถามว่าธรรมะขันเล็กน้อยเนี่ยนะ ที่บอกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมี 84%00 มพันพระธรรมมขันเนี่ยเอาเอาคำนี้มาจากไหนก็เอามาจากคําที่พระอนุท่านเปล่งในเถรคาถานั่นแหละว่าทำเหล่าใดที่เป็นไปแก่ข้าพเจ้าทำเหล่านั้นข้าพเจ้าเรียนจากพระพุทธเจ้า8 2ด0 0ืพันพระธรรมมขันจากภิกสูรูปอื่นมีภาษารีบุตรเป็นต้นเนี่ยนะอีก 2,000 ันพระธรรมมขันรวมเป็น 84%, ดหมพันพระธรรมมขันเทรคาถาจริงๆก็อยู่ในธรรมมขันเล็กน้อยนะก็ไม่กี่ธรรมขันหรอก ไม่กี่ธรรมขันเนี่ก็อ่านนะไม่ใช่น้อยเลยนะตึกระดงมากไม่ถึงไม่ถึงก็ปฏิสัมพิธาจุลนิเทศมหานิเทศคำภีร์อื่นๆที่พระ อ, องค์ไม่ได้ตรัสตรงๆผู้อื่นแสดงแต่ว่าเป็นไปตามแนวคําสอนทั้งหมดเนี่ยนะก็นับว่าเป็นธรรมขันเล็กน้อยนะท่านธรรมปาณ์นี่ท่านรวบรวมอัตถกถาของอธิสาวกทั้งหมดเลยใช่ไหมอาศิติสาวกทุกโป่งท่านรวบรวมเถระคถาเทริกาถาทั้งหมดทั้งหมดเลยทั้งหมด เป็นผลงานของท่านทั้งหมดประมัททีปณีนะที่ตรงไหนที่ขึ้นชื่อว่าประมัททีปณีเนี่ยเว้นในอัตรกรถาี่ธรรมซะที่เป็นประมัททีปณีในพสูตรนะเป็นผลงานของพระธรรมปาละหมดเลยเจิด <7. S 1> ธรรมรักษา